เรืองพบนาคราชเมื่อครั้งอยู่ที่เชียงใหม่ท่านพระอาจารย์มั่นจำพรรษาอยู่บนเขากับพวกมูเซอร์มีพระมหาทองสุขอยู่เป็นเพื่อนไกลท้ทีพักเป็นลำธารมีน้ำไหลตลอดปีอาศัยน้ำที่นั้นใช้อุปโภคและบริโภคมีนาคราชตนหนึ่งชื่อว่าสุวรรณนาคาราช อาศัยอยู่ที่ลำธาร น, นั้นพร้อมด้วยบริวารนาคราชตนนี้เคยเป็นน้องชายท่านพระอาจารย์มั่นมาหลายภพหลายชาติด้วยความสับสนแห่งภพจึงมาเกิดเป็นนาคราชเขารักเขารบและให้การอารักขาเป็นอย่างดีเวลาเดินจงกรมจะมารักขาตลอดจนกว่าจะเลิกเดินหลายวันต่อมานาคนั้นหายไป เกิดฝนไม่ตกร้อนอบอ้าวเขาไรยเริ่มขาดน้ำไม่งอกงามเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นประมาณ1 5หถึงวันจึงได้เห็นหน้านาค้นท่านพระอาจารย์ถามว่าหายไปไหนหนาคราตอบว่าไปขัดตาทับอยู่ปากทางลำธารลงสู่แม่น้ำปิงท่านพระอาจารย์ถามว่าทำไมนาคราตอบว่ามีนาคอันธพภานตนหนึ่ง อาศัยอยู่แถวนั้นจะเข้ามาเลยไม่มีโอกาสแต่งฝนงวดแต่ไปขัดตาทับอยู่ท่านพระอาจารย์ถามว่าให้เขาเข้ามาเป็นไรเพราะเป็นนาคเหมือนกันนาคราชตอบว่าไม่ได้เข้ามาแล้วมารังแกข่มเหงเบียดเบียนบริวารท่านพระอาจารย์ว่าเป็นไปได้หรือนาคราชตอบว่าก็เหมือนมนุษย์และสัตว์ทั่วไปนั่นแหละ พวกอันตพานก็มักจะล้ำแดนของกันและกันเราต้องต่อสู้ป้องกันตัวท่านจึงรู้ว่าอันนี้เป็นลักษณะของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นตัวเหตุโลกจึงวุ่นวายช่วงเย็นฝนตกอย่างหนักจนถึงสว่างน้ำในลำธารเต็มไปหมดข้ามไปบินทบาดไม่ได้พระมหาทองสุขคิดได้จึงเอาไม้ไผ่มาปาักเรียงกัน เอาเถาวันที่ชาวบ้านนำมาทำกุฏิมาผูกกับต้นไม้ฝั่งนี้จับปลายข้างหนึ่งลอยตัวข้ามน้ำไปผูกไว้กับอีกต้นฝั่งโน้นแล้วกลับมานำบริการของท่านพระอาจารย์และตนเองข้ามไปฝั่งโน้นแล้วกลับมาพาท่านพระอาจารย์ประคองไปตามราวไม่ไผ่ข้ามฝั่งทั้งขาไปและขากลับแปลกแต่จริงขาไปผูกเถาวัน ท่านมหาจับไปตามเราและขากลับลอยคอไปพอตอนนําท่านพระอาจารย์ไปและกลับปรากฏว่าเหมือนเดินเหยียบไปบนแผ่นหินมีน้ําประมาณแค่เข่าเท่านั้นท่านมหาทองสุกเล่า ว, ว่าเราไม่ได้คิดอะไรมากคิดแต่ความปลอดภัยเท่านั้นตกตอนเย็น เมื่อเห็นหนาคราชมาอารักขาท่านอาจารย์ถามว่าทําไมให้ฝนตกมากนักนาคราชว่าห้ามเขาไม่ฟังเพราะละเลยมานานท่านอาจารย์ว่าทําให้เราลําบากนาคราชตอบว่าท่านก็เดินบนหลังข้าพเจ้าไปสบายอยู่นี่ท่านก็บอกว่าเราก็ไม่ว่าพวกท่านดอกบนไปเฉยๆอย่างนั้นละ่ะ หมายเหตุผู้บันทึกเสียงสำหรับเรื่องพญานาคแต่งฝนนั้นเพื่อความเข้าใจที่ครบถ้วนอยากให้เข้าใจด้วยว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้อาจเกิดได้จากหลายเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าฝนต้องเกิดจากพญานาคไปทั้งหมดกรณีนี้อาจเทียบได้กับการทำฝนเทียมของมนุษย์ซึ่งฝนโดยปกติก็มีสาเหตุตามหลักวิทยาศาสตร์ทั่วไปแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าก็อาจเกิดจากสิ่งลี้ลับ ที่ความจริงไม่ได้ลึกลับอะไรเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตยอย่างหนึ่งเท่านั้นเพียงแต่ผู้ไม่มีฌานหรือเข้าใจเรื่องพลังงานทางจิตที่ดีพอก็จะรู้เห็นหรือเข้าใจได้ยากซึ่งหลายเรื่องพระพุทธองค์ก็ทรงแจกแจงว่ามีสาเหตุจากหลายอย่างในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก็ยังตรัสไว้ถึงเรื่องความเสื่อมทางศีลธรรมของคนก็มีผลให้ฝนแล้งหรือน้าท่วมได้เช่นกัน คงไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของพญานาคที่จะมาเป็นปัจจัยหลักให้เกิดขึ้นนะครับถ้าเทียบว่าคล้ายกับการทำฝนเทียมก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเป็นการดัดแปลงสภาพธรรมชาติเพื่อผลเพิ่มเติมเท่านั้นซึ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่อำนาจจิตที่ต้องสูงมากถึงทำได้และยังรวมถึงบุญของผู้คนในบริเวณนั้นด้วยทุกอย่างจะไม่มีทางอยู่เหนือหลักกรรมซึ่งแต่ละคนทาดีชั่วผสมกันมาหลายภพชาติ ก็คอยโอกาสให้จังหวะอยู่เสมอผลที่แต่ละคนได้รับเกิดจากบาปบุญของตัวเองทั้งนั้นเพียงแต่ช่วงจังหวะนี้อะไรกำลังส่งผลและมีกำลังแรงมากกว่ากันในหนังสือของต่างชาติที่อธิบายเรื่องภพชาติก็ยังกล่าวถึงอำนาจจิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศได้แต่ก็ทาได้ยากมากมองในแง่วิทยาศาสตร์ธาตาุต่างๆแค่เพิ่มหรือลดอิเล็กตรอน ก็สามารถเปลี่ยนาธาตุหนึ่งเป็นอีกาธาตุหนึ่งได้ซึ่งในเชิงลึกาธาตุทั้งหมดมีต้นกำเนิดมาจากสิ่งเดียวกันที่ทางวิทยาศาสตร์ให้นิยามเบื้องต้นว่าอนุภาค พ, พระเจ้าก่อนจะแลรเป็นสารพัดสิ่งที่เราสัมผัสได้แต่ก็ยังมีพลังงานบางอย่างที่เราไม่อาจใช้ประสาททั้งห้าสัมผัสได้อีกมากเรื่องพลังงานแฝงในแบบนามธรรมนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกก็อธิบายไว้ ท่านใดสนใจสามารถฟังได้จากเสียงงานที่ทําไว้แล้วคือเรื่องพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ซึ่งจะทําให้เข้าใจเรื่องอภิญญากับมฟิสิกว่าสัมพันธ์และตรงกันอย่างไรหรือศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรื่องปฏิหารมีได้อย่างไรวิญญาณคืออะไรและในชุดโลกทิพย์ทั้งหมดเป็นหนังสือของสำนักค้นคว้าทางวิญญาณโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่แตกชานทั้งพระไตรปิฎก และการทำสมาธิวิปัสนาจะทำให้ท่านเข้าใจเรื่องลึกลับในแบบมีเหตุผลตรงทั้งทางหลักวิทยาศาสตร์และอยู่ในหลักของพุทธศาสนาที่ถูกต้องเพราะการเชื่อเรื่องพวกนี้ต้องเชื่ออย่างเข้าใจแบบมีเหตุผลไม่อย่างนั้นจะส่งผลเสียหายให้เกิดเป็นมิจฉาทิฐิหลุดออกจากอาริยมรรคได้ง่ายนะครับฝากข้อคิดไว้สาหรับคนที่เชื่อเรื่องพญานาค ควรเข้าใจด้วยว่ามีทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีถ้าเลือกบูชาผิดก็อาจพาชีวิตไปสู่หายนะได้และถ้าจะบูชาก็ควรบูชาความดีของท่านไม่ใช่บูชาเพราะวางพึ่งพิงโดยเฉพาะในลักษณะติดสินบนแต่ให้ทําความดีถวายเพราะอย่างน้อยความดีก็อยู่กับเราส่งผลให้เราแน่นอนในวันหนึ่งและโปรดเข้าใจด้วยว่าพญานาคที่มีฤทธ และอาจส่งผลดีให้บางคนได้นั้นต้องมีบุญสัมพันธ์กันแล้วเราต้องมีบุญในตัวระดับหนึ่งเป็นพื้นฐานด้วยท่านเป็นกึ่งเทพเป็นชีวิตในประเภทกายทิพย์ที่เรียกว่าโอปปาติกะรูปอาอาจารย์หลายท่านกล่าวตรงกันนะครับว่าเวลามาหามักมาในสภาพร่างกายมนุษย์ความเชื่อเรื่องรอยพญานาคหรือการเข้าทรงของขึ้นและนอนลงเลื้อยจึงไม่น่าจะใช่พญานาคในระดับเทพ เพราะเทพของจริงคงไม่มาทำอะไรแบบนั้นให้ดูน่าสมเพชจึงควรแยกแยะให้ได้ก่อนว่าแบบไหนคือเทพของจริงมาติดต่อและแบบไหนเป็นวิญญาณของสัตว์เดรัจฉานที่ว่าของขึ้นผีเข้านั้นบางทีอาจแค่ผีงูหรือเปรตร่างงูเข้าสิงเท่านั้นเพราะพญานาคในระดับสูงท่านเดินได้ปกติมีกิริยาการพูดคุยเหมือนคนปกตินะครับ ความเข้าใจผิดความเชื่อฝังใจของคนมักจะแสดงออกเวลาขาดสติจึงแสดงออกมาตามที่จิตเชื่ออย่างฝังใจไว้คล้ายคนเข้าทรงพ่อแก่พ่อฤาษีเรามักจะเห็นชอบทำหลังคอมเดินลำบากทั้งที่จริงถ้าเป็นเทพแล้วยิ่งมีความดีมากเท่าไหร่หลังตายจะกลับเป็นหนุ่มสาวไม่แก่เท่ายกเว้นกรณีมาติดต่อกับมนุษย์อาจปรากฏเป็นภาพของสภาพวัยสุดท้ายก่อนตาย เพราะไม่อย่างนั้นญาติหรือคนรู้จักจะจำกันไม่ได้และเมื่อปรากฏในสภาพแก่ก็ไม่จำเป็นต้องเดินไม่ไหวเหมือนที่อุปทานหมู่กันจนเชื่อฝังใจไปตามกันพอรู้สึกมีพ่อแก่มาเข้าทรงก็ต้องอยู่ในสภาพหลังคอมเดินลำบากกันทุกรายฝากข้อคิดไว้ว่าถ้าวิญญาณที่ยังมีสภาพร่างกายไม่ปกติแสดงว่าบุญไม่พ อ, อยังต้องทรมานกับสังขาร หรือยังเจ็บป่วยไม่หายซึ่งก็มีวิญญาณแบบนั้นอยู่จริงและเป็นวิญญาณที่แม้แต่ตัวเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้จะหวังให้มาช่วยอะไรเราได้สักแค่ไหนให้สังเกตว่าคนต่างชาติหรือคนที่ไม่เคยมีความเชื่อปักแน่นมาก่อนยิ่งถ้าเป็นศาสนาอื่นถ้ามีการเข้าทรงหรือสักยันจะไม่ปรากฏการทากิริยาท่าทางแบบที่คนจานวนมากทากันอยู่ทุกวันนี้ ก็จะเป็นการทำตัวปกติยิ่งเป็นเทพยิ่งปกติหรือสง่างามกว่ามนุษย์หลายเท่าจึงควรแยกให้ออกระหว่างเทพเทวดาผู้มีฤทธิกับผีสัตว์เปรตผีป่วยผีพิการว่าอะไรกันแน่ที่กำลังแฝงเข้ามาหรือแค่จินตนาการฝังในจิตใต้สำนึกและถูกปลดปล่อยออกมาผ่านการทำพิธีกรรมต่างๆนะครับ เรื่องผีวิญญาณการเข้าทรงและชีวิตหลังตายน่าแปลกนะครับว่าคนไทยพุทธเชื่อเรื่องพวกนี้กันมากแต่กลับหาคนอธิบายได้ถูกต้องตรงทางได้ยากมากและส่วนมากก็ยังเชื่อแบบงมงายเข้าใจผิดแต่กลับกันนะครับคนต่างชาติต่างศาสนาที่มีเคยเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนและหลายเรื่องขัดกับคาสอนทางศาสนาของเขากลับเขียนเป็นหนังสืออธิบายออกมา ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและบางทีอธิบายละเอียดกว่าทางพุทธมากทั้งเรื่องสภาพร่างกายหลังตายหรือแม้แต่เรื่องผีปลอมตัวเป็นเทพมาหลอกคนทรงซึ่งต้องเข้าใจด้วยว่าเรื่องพวกนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้แต่เป็นใบไม้นอกกรรมมือไม่ใช่สาระสำคัญอะไรท่านจึงไม่ได้ทรงอธิบายเรื่องพวกนี้ไว้หนังสือจานวนมากเกิดจากการถอดจิตโดยบังเอิญ ซึ่งน่าจะเป็นเพราะผลจากชาติก่อนที่เคยฝึกจิตมามากและอีกส่วนก็สามารถติดต่อกับคนตายเป็นคนตายในนิมิตได้โดยตรงยังไม่นับกับการทดสอบพิสูจน์การระลึกชาติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องพบชาติและมิติลี้ลับนั้นต่างชาติเขาศึกษากันอย่างจริงจังมากนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจอข้อมูลพวกนี้จึงคิดว่าต่างชาติเขาไม่สนใจซึ่งหลายเรื่อง อาจารย์พรรัตนสุวรรณท่านนำเรื่องพวกนี้มาตีพิมพ์เผยแพร่ไว้จำนวนมากท่านผู้สนใจลองหาอ่านหาฟังดูนะครับจะช่วยให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ถูกต้องตรงทางส่งผลต่อการศรัทธานในกฎแห่งกรรมและเสริมความเข้าใจธรรมในเชิงลึกได้ดีมากหลายคนบอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ทางดับทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าคนเรายังไม่เชื่อว่าภพชาติมีจริงคาสอนในศาสนา ก็จะไม่มีทางเข้าใจได้เลยและอริยสัจข้อเหตุแห่งทุกข้อหนึ่งก็คือการเวียนว่ายตายเกิดต้องเกิดใหม่ไม่จบสิน้นซึ่งมีพุทธวัจนะตรัสถึงภัยแห่งสังสารวัฏไว้มากมายหลายแห่งแต่กลับถูกสั่งสอนกันมาว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้สนใจเรื่องพวกนี้หรือไม่ตอบเรื่องพวกนี้ทั้งที่พระองค์ทรงสอนบางคนว่าอย่าสนใจแต่อีกหลายคนท่านก็ตรัสตอบชัดว่าตายแล้วไปไหน จะไปเกิดเป็นอะไรเช่นกันดังนั้นอย่าเผลอบิดเบือนพุทธพจน์ว่าพระพุทธเจ้าไม่ตอบเรื่องพวกนี้นะครับถ้าคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกยังเข้าใจจริงก็จะรู้นะครับว่าการแสดงธรรมของพระองค์นั้นจะทรงสอนผู้คนแตกต่างกันอยากยิงไปตามจริตนิสัยโอกาสและความเหมาะสมของแต่ละคนนั้นสอนพระก็อย่างหนึ่งสอนผู้ที่บารมีพร้อมก็อย่างหนึ่ง สอนผู้มาใหม่หรือชาวบ้านในระดับเบื้องต้นก็อย่างหนึ่งซึ่งเป็นยานสำคัญข้อหนึ่งของพระองค์คือฐานาฐานายญญคือรู้ฐานะของบุคคลนั้นว่าควรสอนอย่างไรจึงจะได้ผลมากที่สุดจึงควรเข้าใจจุดนี้ให้ตรงด้วยนะครับ